ถ้าอยู่ในห้องธรรมดานี่ไม่ต้องเปิดไฟนะมีใครว่ามีแสงเรืองๆออกจากร่างกายเนี่ยนะต่อไปเนื้องามก็คือมือทั้งฝ่ามือมือทั้งสองเท้าทั้งสองเริมฝีปากของนางเป็นเช่นกับแก้วประทานและผ้ากำพลแดงปนหนึ่งฉาบทาด้วยน้ำครั่งนี่ชื่อว่านางมีเนื้องามหมายคราบว่าฝ่ามือก็แดงงามเนี่ยนะฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็เริมฝีปากก็ไม่ต้องทาอะไรเลยก็งามล นะแก้วประพานนะต่อไปเล็บเล็บงามก็คือเล็บทั้ง20กาบเนี่ยเป็นเหมือนฐานน้ํานมในที่ที่พ้นจากเนื้อประหนึ่งขจิตด้วยน้ําครั่งในที่ที่ไม่พ้นเนื้ อ, อไม่พ้นจากเนื้อหมายคําว่าเล็บที่ที่พ้นเนื้อออกมาก็งามส่วนที่อยู่ในเนื้อเนี่ยนะก็เล็บก็งามมากแดงเลยเรียกว่านางผู้มีเล็บงาม กระดูกงามก็คือฟัน32ซี่นี่เรียบสนิทเป็นเหมือนแถวแก้วประทานที่ขขาบริสุทธิ์ย่อมปรากฏเหมือนระเบียบแห่งเพชรนี่ชื่อว่านางมีกระดูกงามก็คือฟันสวยส่วนวัยงามก็คือนางแม้มีอายุ120ปีก็เหมือนหญิงสาวอายุ16ปีไม่มีผมหงอกเลยนี้ชื่อว่ามีวัยงามคุณสมบัติทั้ง5้าอย่างเนี่ยนะนางวิสาขาก็เป็นยางี้ คำว่า120ปีเนี่ยนะ120ปีนางวิสาขาเนี่ยตอนตอนไปวัดตอนนางอายุ120ปีไปกับหลานเนี่ยท่านั่งอยู่ไม่มีใครมองออกว่าคนไหนคือนางวิสาขาเพราะว่าจะดูงามเหมือนกันหมดทีนี้จะรู้ได้ตอนที่เวลาลุกเนี่ยนะคนแก่ลุกกับสาวลุกก็ไม่เหมือนกันใช่ไกับคนแก่ก็ต้องโค้งหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าแต่อตอนนั่งเนี่ยแยกไม่ออกว่าใครเป็นยายใครเป็นหลาน่างนั้น เรียกว่านางชนบทกาลยานีเนี่ยงามแบบนี้และนางเป็นผู้มีความดีงามประกอบด้วยคุณสมบัติเห็นตานนี้จึงชื่อว่านางชนบทกาลยานีคุณสมบัติอันนี้ประกาศถึงว่ามเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยคุณลักษณะเป็นอย่างนี้ทีนี้ตอนที่นางเนี่ยวันที่ออกบวชเนี่ย นางชนบทกาลยานีก็ติดตามไปไหนางก็ชเํเลืองดูเรียกว่าอัปโลเกตวะชเํเลืองดูด้วยในตาอันส่องถึงความซ่านไปแห่งรสเสน่หาเหมือนผูกพันเอาไว้มังพันเตเขาบอกว่าเพราะตอนนั้นอ่ะตัวนางชนบทกาลยานีก็มีใจวุ่นวายด้วยความกระสันฝ่ายพระนันทะก็หัวดระลึกนึกถึงคําของนางที่ประกอบด้วยอาการของนางนะ ดูจากสีหน้าแววตากิริยาคำพูดก็ใจก็เลยไม่นึกถึงสิกขาเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคำของพระนันทะคือคือมาถาม น, นะว่าทำไมจึงไม่อยากบวชนะก็ฟังแล้วก็มีพระดำริ จ, จะระงับพระนันทะด้วยอุบายเมื่อจะนำพระนันทะไปยังสวรรค์ชันดาวดึงด้วยกำลังฤทธิ์จึงแสดงนางลิงหล่นตัวหนึ่งนะให้ดูลิงก่อนระหว่างทาง มีหูขาดจมูกขาดแล้วก็หางขาดนั่งอยู่บนตอไม้ที่ถูกไฟไหม้ในานาที่ถูกไฟไหม้แห่งหนึ่งในระหว่างทางแล้วก็นำพ น, นันธานี้ไปสู่พบดาวดึงพระศาสดาเมื่อเสด็จไปนั่นแหละแสดงนางลิงหลุนตัวนั้นแก่พระ น, นันธาในระหว่างทางก็เมื่อเป็นเช่นนั้นการแสดงการคู่แขนเป็นต้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือพระองค์ในแสดง เล็งให้ดูก่อนเนี่ยนะแล้วก็พาไปถึงดาวดึงแสดงนางอับศรห้าร้อยผู้มีเท้าดังนกพิราบผู้มาบำรุงเท้าสะกะเทวราชเท้าสะกะเทวราชเนี่ยปกติมีนางฟ้อนบำเรอประมาณสองล้านห้าแสนเนี่ยเอเ อ, เอประมาณย5่้าล้านอ่ะนะประมาณนั้นสองโกดครึ่ง2สองโกดครึ่งสองโกดครึ่งไทยยห้าล้านอ่ะเนะยืนถวายบังคมแล้วก็ พระองค์ก็ตรัสถามถึงความแปลกกันเมื่อเทียบรูปสมบัติของนางอับซรกับนางชนบทกาลยานีเนี่ยนะเห็นแล้วเป็นยังไงระหว่างสองท่านนี้ระหว่างนางอับซรกับนางชนบทกาลยานีห้าร้อด้วยนะนางอับซรนี่ตั้งห้าร้อยใช่ไหมนางชนบทกาลยานีคนเดียวจริงอยู่ในเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรุงแต่งอิทฐาภิสังขารอย่างเช่นที่พนันทะเป็นเหมือนถูกพระผู้มีพระภาคจับแขนไปฉะนั้น ก็ในการนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาให้พระนันทะเห็นหรือเข้าไปยังเทวโลกชั้นดาวดึงพระองค์ก็พึงทรงแสดงเทวโลกนั่นแหละแก่พระนันทะผู้นั่งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเหมือนในเวลาแสดงฤทธิ์ในการเปิดโลกหรือพึงทรงพระนันทะนั่นแหละไปในเทวโลกด้วยฤทธิ์ก็พระเหตุที่เพื่อจะถือเอาโดยง่าย แสดงถึงภาวะแห่งอัตภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่เลวและน่าเกลียดกว่าอัตภาพอันเป็นทิพย์ในนะร่างกายของมนุษย์นี่ไม่ได้งามหรอกพระองค์ประสงค์จะแสดงนางลิงหลุ่นนั้นในระหว่างทางแก่พระนันทะและมีพระประสงค์จะแสดงให้ท่านพระนันทะยึดเอาสิริสมบัติและภาวะสมบัติในเทวโลกอันนี้เป็นการแสดงอนุ ป, ปุพพิกาาแบบไม่ต้องเทศ พ, พาไปดูเลยยไง แล้วก็พาพนันทะไปยังเทวโลกนั้นแม้ด้วยอาการอย่างนี้ท่านพนันทะก็จะมีความยินดีอย่างยิ่งยินดีพิเศษในการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสมบัตินั่นแหลเพราะฉะนั้นเห็นอ น, นิสงส์เลยใช่ไหมสู้บวชไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์จะได้บริมีนางฟ้าบท ว, ว่ากากุตะปะดานี้ความว่าเชื่อว่ามีเท้าเหมือนเท้านกพิราบไม่ใช่แต่เท้านกพิราบมีแต่ก้างนะี่ะ แต่หมายถึงสีสีสีแดงได้ยินว่านางอับซรแม้ทั้งหมดนั้นมีเท้าละเอียดอ่อนเช่นนั้นเพราะได้ถวายน้ํามันสําหรับทาเท้าแก่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะคือพระพิสูุทั้งหลายเวลาท่านเดินจงกรมมากอะไรมากเท้ามันหยาบกระด้างเป็นต้นเขาก็จะมีกลุ่มผู้ที่ถวายน้ํามันทาเท้าเนี่ยนะ ถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงให้พระนันทะผู้มีจิตอันชุ่มด้วยราคะและดูนางอับสรนเล่าปกติตันหาก็แก่กล้าอยู่แล้วใช่ไหมต้องไปทําไมให้ไปดูคนที่งามกว่าให้กิเลสมันมีแรงแต่บอกว่าเพื่อจะนํากิเลสของพระนันทะออกโดยสะดวกทีเดียววิธีแก้กิเลสด้วยการเอาเอาวัตถุที่เกิดกิเลสมากกว่าให้ดูทราบว่าเหมือนอย่างว่าแพทย์ผู้ฉลาดเยียวยาบุคคลผู้มีโทษหนาะแน่น ชั้นแรกก็ชำระโทษ ด, ด้วยการดื่มน้ำมันเป็นต้นภายหลังจึงให้นำออกด้วยการอาเจียนและการถ่ายได้โดยง่ายฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ฉลาดในการฝึกเวนยศาสตร์ก็ฉันนั้นพระองค์นี้แสดงนางอับสอนกับท่านพระนันทะผู้มีราคะหนาให้หมดโทษประสงค์จะให้ท่านพระนันทะออกโดยเด็ดขาดด้วยด้วยเว้นด้วยเพศัตรคืออริยมรรควิธีก็ยางนี้ก่อนใช่ไห ถ้าหากว่าพระนันธาเนี่ยมีใจยินดีติดใจกับ น, นางชนบทกาลยาณีถ้าติดใจแบบนั้นยังไงก็บวชอยู่ตลอดไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าไปรักนางฟ้าเข้าอันนี้ต้องบวชจนตายแน่นอนถ้ารักนางฟ้าใช่ไหมยังไงมันก็ไม่สามารถชาตินั้นไปแต่งกับ น, นางฟ้ามันก็ไม่ใช่ฐานนะะนั้นก็ตัดจากความรักของมนุษย์ไปรักเทวดาทีนี้ก็เอามานะกษัตริย์มายั่วเข้าก็เลยปฏิบัติ บ, ต ร, บรรลุเลยอาศัยมานะ ละมานะได้ในตอนท้ายก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าจริงๆต่อไปนะบทว่านางลิงเนี่ยมีอวัยวะเหมือนถูกไฟไหม้ น, นะบอกว่าเป็นไงระหว่างนางฟ้ากับนางชนบทกาลยานีพันันทาก็บอกว่าเอวะเมวะโโข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น, นางลิงหล่นที่มีหูและจมูกขาดที่พระองค์ทรงแสดงแก่ข้าพระองค์นั้น เทียบกับนางชนบทกาลยานีฉันใดานางชนบทกาลยานีกับนางอักษรห้าร้อ500เหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันก็อนนบอกว่าเอานางอักษรคนนั้นเนี่ยนะมาแบ่งให้เป็นส6บส่วนเรียกว่าหาอะไรนะตัดความงามออกไปสเอาอะไรนะตัดความงามหารส6บแล้วหารหารไปเรื่อยๆเนี่ยนะหนึ่งยังไม่ได้เศษเสี่ยวในนั้นเลยนะต่างกันมาก ที น, นี้พอเปรียบกันไม่ได้อย่างนี้นะก็เลยพระองค์ก็บอกว่าพรหมจรรย์ที่พระนันทะไม่ยินดีก็กล่าวให้ปรากฏในการก่อนตอนแรกไม่ต้องการและพรหมจรรย์ใช่ไหมไม่เอาและศีล ส, สมาธิปัญญาจะทิ้งหมดแล้วตอนนี้ก็บอกโอโ้จงยินดีในศีลสมาธิปัญญาเธอะเนี่ยนะให้ยินดีในศีลสมาธิปัญญาให้ท่านเกิดความเอื้อเฟื้อยินดียิ่งในการประพฤติพรหมจรรย์บ่งบอกว่ายินดีเถิดนันทะยินดีเถิดนันทะเนี่ยนะ เพราะว่าถ้ายินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะมันก็เป็นความดีคือถ้าถ้าเรามามองอีกในหนึ่งเนะี่ยถามว่าทาบุญแล้วปรารถนาอยากได้นางฟ้ากับเห็นแค่มนุษย์สมบัติเนี่ยไหนดีกันอย่างน้อยที่สุดถ้าใครเห็นชีวิตแต่เฉพาะชาตินี้บางชาตินี้นะบางทีก็ถึงกับทาบาป ท, ทำกรรมเพราะเหตุให้ได้วัตถุชาตินี้ใช่หแต่ถ้าอย่างน้อยถ้าคิดถึงชาติหน้าต่อไปก็มีฮิริโอตปะ ถ้าทําไม่ดีตัวเองก็อดสวรรค์กลัวจะต้องตกนรกเป็นต้นก็ยังคิดยาวไปอีกนะคิดยาวไปถึงชาติหน้าก็ยังดีแต่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เขามองหลายๆชาตินะเขาไม่ได้มองชีวิตแค่ชาติหน้ามันบางคนเนี่ยที่มองชีวิตแค่ชาตินี้ก็สแสวงหาแต่วัตถุพร้อมสักให้สมบูรณ์ในชาตินี้แต่บางคนก็มองเลยไปถึงชาติหน้าขอชาติหน้าไปเกิดในสวรรค์ก็พอแล้ว ขอเกิดสวรรค์เป็นใช้ได้จะหมวยว่าไงนะถ้าไปอยู่ในสวรรค์จะอยู่ได้ไม่กี่วันจะว่าไงนะกลัวตกสวรรค์อีกนะถ้าไปอยู่ได้ไม่กี่วันจะทํำยังไงอีกบางคนก็เลยไปอีกสามชาติสีชาติบางคนมองเป็นสังสารวัตเลยแหละ <c oughs> อาหางเตปติโพโพความว่าาเพรผู้ไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาให้พระ น, นันธาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์จึงได้ทรงรับรอง รับประกันเนี่ยนะไม่ให้พระนัน t h อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ทําไมต้องรับรองขนาดนั้นเพราะพระองค์นี้เพื่อจะทําอารมณ์ที่ท่านพ่านัน t h มีความกําหนัดติดแน่นอยู่ให้ก้าวไปในอารมณ์ใหม่จึงสามารถให้ละโดยง่ายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงรับรองอนนให้ละจากความรักมนุษย์ไปรักละ เ, เลิกรักมนุษย์ไปรักนางฟ้าแทนเนี่ยนะต่อไปก็จะสอนให้ตัดฉันนราคะจากนางฟ้า ทนี้บทว่าอัศวสูงภิกษุทั้งหลายได้ฟังมาเนี่ยนะภิกษุได้ฟังมาอย่างไรก็เวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพนันธะแสดงวัดแล้วไปยังที่พักกลางวันของตนพระองค์ก็ตรัสเรื่องนั้นให้ภิกษุอุปถัมภ์ฟังนะมีพระประสงค์จะนําความกําหนัดของพนันธาในอารมณ์ที่เคยชินด้วยอารมณ์ที่จรมาใหม่อนะอย่างอย่างสมมุติอย่างแม้กระทั่งผู้ที่ได้รูปประชานแล้วพระองค์ก็สอนอย่างนี้เหมือนกันนะ พระอะไรนะั้ในธาตุวิพังกสูตรเนี่ยนะปุกุตสาติเนี่ยท่านได้ฌานสี่ใช่ไหมท่านได้ฌานสี่ท่านติดในฌานสี่ของท่านมากพระองค์ก็สอนอได้พระองค์สอนอรูปฌานแสดงอรูปฌานว่าดีเหลือเกิน ด, ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เสร็จนะซึ่งปุกุตสาติก็เห็นด้วยกับที่ที่จะเจริญอรูปฌานพอใจเนี่ยพากออกจากรูปฌานไปยินดีในอรูปฌานพระองค์ก็แสดงวิปัสนาอ่านะท่านก็ไข ค, ครวนตามก็บรรลุปเป็นพระอนาคามีพั้นผู้ใดที่ติด อย่างเลวพระองค์ก็เอาอย่างสูงกว่านี่นะดีกว่ามาบอกแล้วก็จะบอกดีกว่าดีกว่าดีกว่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะโน่นแหละจนถึงพระนิพพานที่ดีที่สุดคือพระพุทธเจ้าต้องการให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยนะทีนี้ไอเขาถ้าเขาติดในระดับล่างๆพระองค์ก็สอนในระดับสูงระดับสูงว่ามันมีดีกว่านี้นะมันมีดีกว่านี้นะมีดีกว่านี้จนกว่าจะถึงดีที่สุดเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันพระองค์ก็ เอาเอ่อเอาอารมณ์ที่จอนมาใหม่มาตัดอารมณ์ที่เคยชินนั่นเมาตัดอารมณ์ที่เคยชินหลังจากที่ตัดอารมณ์ที่จอนมาใหม่ด้วยอริยมรรคเหมือนบุรุษผู้ฉลาดเอาลิมอีกอันหนึ่งตอกลิม่มที่ยังไม่ออกให้ออกไปแล้วเอามือเป็นต้นจับลิ่มนั้นโยกไปโยกมาแล้วก็ดึงออกเอาลิมตอกลิม่มเคยเห็นใช่ไหมเหมือนเหมือนกับสลักเอาสลักอันหนึ่งมาเพื่อติดตอกสลักอีกอันหนึ่งเข้าไปจนมันหลุดออกไปก็ใช้มือเนี่ยจับดึงออก พระองค์บัญชาว่าภิกษุทั้งหลายมาเถิดพวกเธอจงเรียกภิกษุนันทะนั้นว่าลูกจ้างและด้วยวาทว่าถูกไถามาภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบทูลอย่างนั้ น, น, นก็เขาบอกว่าพระตกะวาเทนะแปลว่าวาทว่าลูกจ้างก็ผู้ใดทำงานเพื่อค่าจ้างผู้นั้นเขาเรียกว่าลูกจ้างพระนันธานเนี่ยรับจ้างบวชใช่ เอารับจ้างบวชเพื่ออะไร <P en it> เพื่อนางฟ้าไงก็เรียกว่าลูกจ้างก็รับจ้างบวชไอ้ฟังอย่างนี้ก็จะชักไอ้ตอนแรกว่าบวชเพื่อสวรรค์นี่ก็ฟังดีดูดีะนะแต่บอกว่านี่รับจ้างบวชชัดๆเลยนะรางวัลก็คือนางฟ้าฟังแล้วเศร้าเลยนะคือพวกระดับกระสักเนี่ยนะแม่ฟังว่าตัวเองเป็นลูกจ้างมันทําใจไม่ได้มันพนันทะเม้นั้นประพฤติพรหมจรรย์อันมีการอยู่ร่วมกับนางอับซรเป็นเหตุจึงเป็นเหมือนลูกจ้าง เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพัตตกวาเทนะบทว่าอุปกิจตกะวาเทนะความว่าผู้ใดซื้ออะไรด้วยกระหาปณ ะ, ะเป็นต้นผู้นั้นเขาเรียกว่าผู้ผู้ถูกไถามาเนี่ยนะก็ะถูกซื้อมาใครถูกซื้อก็พนันทะนี่แหละถูกพระพุทธเจ้าซื้อมาท่านพนันทะก็ซื้อพรหมจันทร์ของตนเพราะเหตุแห่งนางอับสรเพราะฉะนั้นภิสูทั้งหลายเรียกพนันทะอย่างนี้ว่าผู้ถูกไถามาก็ ถูกไถนะพระพุทธเจ้าไถามาท่านก็ประพฤตินะรักษาศีลเป็นต้นก็เพื่อนางฟ้าก็เลยเรียกว่าศีลเป็นต้นก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งเนยนะซื้อขายเพื่อให้ได้นางฟ้าอีกอย่างหนึ่งท่านพนันทะยังชีวิตกล่าวคือการประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นไปด้วยค่าจ้างกล่าวคือการอยู่ร่วมกับนางอับสรตามบัญชาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนพระองค์ทรงเลี้ยงด้วยการยังชีวิตให้เป็นไปด้วยค่าจ้างนั้น เธอทํางานอันนี้ให้ฉันนะเธอประพฤติพรหมจรรย์ไปเดี๋ยวฉันจะให้นางฟ้างหมนก็เลยเรียกว่าอันพระพุทธเจ้าทรงเลี้ยงใช่เลี้ยงอะไรเลี้ยงให้เดี๋ยวจะให้รางวัลเหมือนกนอันหนึ่งท่านกระทําการขายกล่าวคือการอยู่ร่วมกับนางอับศรให้เป็นสิ่งที่ตนพึงยึดเอาแล้วตั้งอยู่ในบัญชาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไถมาด้วยการขายนั้น น, นะตัวเองนี่ขายตัวใช่ไหม ขายตัวมาประพฤติพรหมจรรย์จะได้เพื่อได้รางวัลคือนางฟ้าพระองค์ก็บอกเอาเดี๋ยวฉันให้เพอประพฤติพรหมจรรย์นะฉันจะรับรองว่าเธอจะได้นางฟ้าพูดอย่างนี้ยมเล็กไม่เอาว่าเไรเลยพระพุทธเจ้าก็ถ่ามาทีนี้หลังจากนั้นนะพอตัวเองเนี่ยถูกว่ารับจ้างบวชคล้ายๆกับรับจ้างบวชหรือถูกไถ่ามาเนี่ยพอฟังคําอย่างนี้เข้ า, านะอัตยามาโน ถูกบีบคั้นด้วยทําให้ได้รับความลาบากเนี่ยนะมันเครียดเนี่ยนะนะมันอึดอัดมากเลยนะบีบหมวทําไมมาบีบเราขนาดนี้ทําไมกดดันเราขนาดนี้อ่านนะฮร า, ยาะฮรายามาโนละอายุชิคุชชมาโนได้แก่ติเตียนโดยความเป็นของน่าเกลียดเหมือนคำว่าชิคุด ช, ชิคุดชฉชาโนเนี่ยนะแปลแบบภาษาไทยขยะขยงมากเลยฟังคําว่าตัวเองเนี่ยรับจ้างบวชเนี่ยนะฟังคําที่ตัวเองขยะขยงดูรังเกียจมาก ก็เลยเอโกไม่มีเพื่อนหลีกออกเลยหลีกออกไปไหนมาดูในในข้อ69หน้าสองปดที่บอกครั้งนั้นแลภพิสูจนทั้งหลายผู้เป็นสหายของท่านพนันทะย่อมร้องเรียกท่านพนันทะด้วยวาทะว่าเป็นลูกจ่างและด้วยวาทะว่าผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไถมา ได้ยินว่าพระนันทะเป็นลูกจ้างได้ยินว่าท่านพนันทะเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไถมาคือพระนันทะเดินไปที่ไหนนะพระพิสุเขาก็ว่ากันอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะตัวเองก็ถูกแต่เขาว่าอย่างนี้ว่าพระนันทาเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอับซรได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้รับรองเพื่อให้ได้นางอับซอนห้ร้อยซึ่งมีเท้าดุดนกพิราบครั้งนั้นแลท่านพระนันทะอึดอัด เตือมระอาะเกลียดชังด้วยวาทว่าเป็นลูกจ้างฟังแล้วแหมขยะขยงเลยนะด้วยวาทว่าเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไถมาของพวกภิกษุผู้เป็นสหายจึงหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวใจเด็ดเดียวนี่มาจากพระหิตตัดโตเนี่ยไม่นานนะักก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบนรรปะชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วเกิดเอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีท่านพระนันทะได้เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งในจํานวนพระอาหารหันต์ทั้งหลายสําเร็จเลยนะพระพุทธเจ้าฝึกสําเร็จแล้วให้ hey, มาดูอัตถกถาในหน้า296ที่บอกว่า เอกโไม่มีเพื่อนนะนะเนี่ยไม่สนใจใครนะพราะไปเจอหน้าใครเขาก็ว่าเราลูกจ้างหมดนะนะเจอหน้าใครที่ทําใจไม่ได้เลยเขมีแต่ตําหนิเราก็เลยหลีกเลยวูปกักรโถมีกายและจิตสงัดแล้วจากวัตถุกามและจากกิเลสกามบทว่าอัปปมัตโตไม่ละสติในกรรมฐานเนี่ยนะสตินี้เป็นไปกับกรรมฐานไม่ทิ้งกรรมฐานบทว่าอาตาปีชื่อว่ายังกิเลสให้เร่าร้อน หมายความว่าทําทำไอตัวความเศร้ามองให้เหือดแห้งนะเพราะให้เล่าร้อนด้วยความเพียรทางกายและความเพียรทางจิตชื่อว่าอาตาปะเพราะยังความเศร้ามองของจิตให้ร้อนทั่วนะกิเลสนี้เรียกว่าความเศร้าหมองแห่งจิตเนี่ยนะพระองค์เนี่ยทำให้ความเศร้ามองของจิตเนี่ยแห้งไปอันนี้เป็นชื่อของความเพียรพระหิตตตะพระหิตตากับอัตตะเ น, นี่ยนะพหิตะเนี่ยแปลว่าสละตนแล้วนะพหิตตะก็คือสละอัตตะก็สละตัวนะ หมายถึงสละร่างกายคือมีกายส่งไปแล้วมีอัตภาพสละแล้วโดยไม่อะไราในกายและชีวิตมีจิตส่งไปแล้วในพระนิพพานเรียกว่าไม่เยื่อใหญ่ในวัฏฏะเลยมีจิตโอนเอง น, น้อมไปหาพระนิพพานอย่างเดียวพันท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่นานนักไม่นานนักนะจิรเสวะแปลว่าไม่นานนักจากการเริ่มกรรมฐาน เพราะว่าท่านนี้เป็นกุลบุตรใช่ั้ยบอกว่าไม่นานนะก็ปฏิบัติบรรลุเป็นระารหันตามที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวชโดยชอบต้องการบทว่าบรมจริยประโยสานังอันนี้นคืออะไรคืออรหัตผลอรหัตผลเป็นที่สุดแห่งมรรคพรหมจันทร์จรึงอยู่กุลบุตรทั้งหลายย่อมบวชในพระาศาสนานี้เพื่อประโยชน์แก่อรหัตผลเนี่ยนะ สัพพะทุขนิสรณนิพพานะอิมังกาสาวังกเหตวาปปัชชะมังพันเตอนุ ก, กัมปังอุปาทายะเป็นต้นเนี่ยคำขอบวชเราเนี่ยค่ะสัพพะทุกขานิสรณทายะเนี่ยก็คือขอสลัดออกจากกองทุกทั้งมวล น, น่ะนะเป็นต้นอะเพราะฉนั้นเป็นคำขอบวชมันก็ถือว่าการบวชนั้นบวชเพื่อประโยชน์แก่อรหันตผลนะบวชไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหรันตใช่ไหม ทิฏฐิธ ร, รมเมวะก็คือทําให้แจ้งในอัตภาพนั้นคือชาตินั้นแหละสยังอภิน ญ, ญายาสัจฉิ ก, กัตะวาความว่ากระทําให้ประจักด้วยปัญญาของตนเองทีเดียวอธิบายว่ารู้โดยไม่มีผู้อื่นเป็นเหตุบทว่าอุปสัมปัชฌาวิหะสิได้แก่ถึงหรือสําเร็จอยู่อันนี้หมายถึงปัจเจกขณะภูมิว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี ถ้ามีผู้ตั้งคำถามว่าที่พระอรหันเนี่ยพระนันทะเนี่ยออกบวชหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเนี่ยท่านไปเจริญกรรมฐานอะไรท่านไปเจริญกรรมฐานอะไรพระนันทะนั้นเชื่อว่าเป็นเอตทัคคะในด้าน IN อินทรีสังวรนะในด้านอินทรีสังวรที่ที่เป็นกรรมฐานของพระนันทะเนี่ยนะ เดี๋ยวไปจะ ก, กล่าวอีกครั้งหนึ่งในหน้าสามสามที่ที่เป็นกรรมฐานของพระนันทะเนี่ยกล่าวโดยสรุปต่อไปก่อนว่าที่บอกว่าพระนันทะนั้นออกบวชเนี่ยนะปฏิบัติไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมท่านก็ทําให้แจ้งซึ่งอรหัตผลเป็นต้นเนี่ยนะแล้วท่านก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีตั้งคําถามว่า ชาติของพนันทะเนี่ยท่านสิ้นชาติเนี่ยนะขีณาชาติขีณาบวกชาติสิ้นชาติเนี่ยสิ้นชาติไหนหมดชาติแล้วชาติไหนก่อนอื่นชาติที่เป็นอดีตของพนันทะก็หาสิ้นไปไม่คืออดีตชาติสิ้นไปแล้วใช่ไหมชาติที่ผ่านมาผ่านมาตายเกิดตายเกิดไอชาติในอดีตหมดไปเลยใช่ไหมปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไปดับไหมอดีตชาติไม่ต้องชาติอนาคต ของท่านก็สิ้นไปแล้วก็หาไม่ได้เพราะอะไรเพราะชาตินั้นยังไม่ได้มากำจัดชาติหน้าเอาชาติหน้ามันยังไม่เกิดไปกำจัดมันทำไมเอาแล้วชาติปัจจุบันล่ะชาติปัจจุบันของพระนันธาสิ้นไปไหมท่านก็อยู่จนครบอายุไขอ้าวสรุปว่าพระนันธะสิ้นชาติไหนสิ้นชาติอดีตชาติอนาคตหรือสิ้นชาติปัจุบันโยมมาสิ้นชาติไหนอะไรท่านบอกว่าชาติที่ต่างด้วย เอกวโอการภพจตุวโอการภพปัญจโวการภพอนณาชาที่มีขัน 1, หนึ่งขันสี่และขันห้าขันเหล่านี้การเกิดในภพใหม่มีเพราะอะไรขันที่เกิดขึ้นชาติที่มีในภพใหม่พ่ออะไรก็เพราะกรรมนาเกิดนะกรรมนําเกิดพ่ออะไรนําเกิดพ่ออะไรเพราะกิเลสถ้าสิ้นกิเลสก็เป็นอันสิ้นกรรมถ้าสิ้นกรรมก็เป็นเป็นอันสิ้นการเกิดเพราะภพใหม่จักไม่มีเพราะทําลายเหตุโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นอริยมรต เกิดขึ้นเนี่ยนะอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวทําลายต้นเหตุที่ทําให้เกิดในพบใหม่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปฆ่ า, าเหตุการณ์ต่อไปในอนาคตไม่ได้ฆ่าอนาคตแต่กําจัดต้นเหตุที่จะให้มีต่อไปในอนาคตเป็นการทําลายเชื้อทําลายเหตุเนี่ยนะพระพนัญธ า, นานเนี่ยท่านเจริญมรรคภาวนา เ, เมื่อเจริญมรรคภาวนาได้บริบูรณ์เต็มที่ อันนั้นเขเรียกว่าวิราคะเนี่ยเพราะก็สำ r รคตัญหาโดยไม่มีส่วนเหลือถ้าตัญหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับก็เชื่อว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทาเสร็จแล้วเนี่ยนะนด้วยอนุภาพของอรยมรตก็ละกิเลสเพราะฉะนั้นจึงรู้ยิ่งถึงชาตินั้นคือรู้ว่ากรรมแม้มีอยู่ก็ปฏิสนทิก็ไม่มีปฏิสนทิต่อไป เพราะอะไรเพราะตัณหาอุปาทานที่เป็นเหตุให้กรรมนำเกิดถูกขจัดออกไปแล้วนนะบทว่าวุสิตังคืออยู่จบแล้วได้แก่กระทาแล้วประพฤติแล้วอธิบายว่าทาสำเร็จแล้วมรรคพรหมจ ร, รย์ัมรรมจรยังเป็นชื่อของอริยมรรคพรหมจ ร, รย์พระเสขะเจ็ดจำพวกรวมทั้งกาลยานปุตุชนกาลังอยู่ประพฤติพรหมจ ร, รัพระเสขะเนี่ยนะก็คือพระ โสดาบันเนี่ยโสดาปฏิมร์จนถึงอรหัตมร์และปุตุชนทั้งหลายที่เป็นคนดีเนี่ยนะก็กำลังประพฤติอธิเสนอธิจิตและอธิปัญญาเพราะคำว่าประพรมจันทร์เป็นชื่อของไตรสิกขาพระขีณาศพเชื่อว่าอยู่จบพรหมจันทร์แล้วหมายคือว่าประพฤติสิกขาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พระนันท h เนี่ยนะเมื่อการพิจารณาพรหมจันทร์คืออริยมรรคของตนก็รู้ชัดว่าพรหมจันทร์คืออริยมรรคเนี่ยอยู่สําเร็จแล้วบทว่ากระตังกรณียังกิจสิบหกอย่างกิจสิบหตอนแรกกิจสี่ก่อนนะปริญญากิจปหานากิจสัจิกิริยากิจและภาวนากิจกิจทั้งสี่ในสัจจะสี่โสดาปติมมะก็ทํากิจสี่สกทาคามิมมะ ก, ก็ทํากิจสี่อนาคามิมมะ ก, ก็ทํากิจสี่อรหัตรมมมะก็ทํากิจสี่เพราะฉะนั้น มรสีทำกิจสี่ในอริยาศาสตร์สี่เรียกว่าเป็นกิจสิบหกกาลยาณนะปูตุชนจนถึงอรหัตตมรกำลังทํากิจนั้นพผ่ารหัชื่อว่าทํากิจทั้งสิบหเสร็จสิ้นแล้วเพราะเพราะเหตุนั้นท่านพระนันทาเมื่อพิจารณาการณียกิจของตนจึงรู้ชัดว่าการณียกิจคือกิจสิบหกนะกิจสบหด้วยมรสีในสัจจะสี่นี้ทําเสร็จแล้ว รู้ชัดว่าบัดนี้เราไม่มีเพื่อความเป็นอย่างนี้ต่อไปไหมคราบว่าที่ทำอยู่ต่อไปไม่จำเป็นต้องมาทำกิจอะไรเพิ่มอีกต่อไปเพราะกิจเหล่านี้ทำเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่านาปรังอิทธตายะความว่ารู้ชัดว่าขันทสันดานต่อไปจากความเป็นอย่างนี้คือขันทสันดานที่เป็นไปในปัจจุบันมีประการดังกล่าวจะไม่มีแกเรา พระทหานี้เชื่อว่าเป็นกลุ่มตายอดด้วนใช่ไหมหมายคําว่าไม่มีความงอกเงยถ้ายอดด้วนแล้วก็รอแต่ผุพังนะนะไม่มีคําว่า ง, งอกขึ้นอีกชั้นใดท่านก็เป็นเ ช, นช่นนั้นเพราะฉะนั้นหมายคําว่าถ้าขันอันนี้แตกทําลายแล้วไม่ถือเอาขันใหม่อีกต่อไปทิ้งตานี้แล้วไม่ถือเอาตาอันใหม่ทิ้งหูนี้แล้วไม่ถือเอาหูอันใหม่ทิ้งจมูกนี้แล้วก็ไม่ถือเอาจมูกอันใหม่ทิ้งลิ้นอันนี้ก็ไม่ถือเอาลิ้นอันใหม่ทิ้งกายอันนี้ก็ไม่ถือเอากายอััันนนนใใใใหหมมม่่่ทิ้้จจออออีก็ไถา งั้นก็ศูนย์ะสิศูนย์มศูนย์ในที่นี้ไม่ใช่อุเฉตแบบขาดศูนย์เนี่ยนะไม่ใช่แบบเป็นอุเฉตพวกกลุ่มแบบอุเฉตที่พวกที่เรียกว่ากลัวศูนเนี่ยนะพวกนี้ก็สาคัญว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเมื่อสาคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราพวกนี้จึงกลัวจะศูนย์กลัวตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่เกิดอีกกลัวเราหมดใช่ไ กลัวเราจะสิ้นไปกลัวเราจะหมดไปมันก็หวงแหนทะนุถ น, น้อมตาหูจมูกลิ้นกายใจมากแต่ว่าผู้ที่เป็นพระอรหันเนี่ยนะก็คือผู้ที่ชํานาญในการเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายจนคลายกําหนัดได้อย่างเด็ดขาดจากสิ่งเหล่านี้เพราะท่านทิ้งมหาภาระเหล่านี้แล้วไม่ถือเอาอีกต่อไปเพราะท่านถือว่าเป็นภาระมากบริหารตาเนี่ยบริหารง่ายไหมว่า อกว่าจะให้ได้สีที่มันต้องการเนี่ยนะไม่ง่ายเลยไม่เชื่อถามผู้การดูเถอะเนี่ยนะตาคู่เดียวเนี่ยบริหารยากที่สุดในโลกเลยนะเพราะว่ามันจะต้องแต่งให้มันได้อย่างที่ตาชอบใช่ไหมตา ม, มันตามไม่ยอมเนะี่ยไม่ได้ไม่ได้มันขัดตาเนี่ยนะไม่ได้ต้องอันนั้นต้องวางอย่างนี้สีดอกไม้ตรงนี้ต้องวางอย่างนี้แกกันอันนั้นต้องวางตรงนั้นผ้าอันนี้มันต้องอย่างนี้โอ้ยแต่งแตง่แต่งสีเนี่ยนะเพื่อให้ตามันชอบเนี่ยยากบำรุงยากมากแต่งหูดูสิแต่งหูเนี่ยนะไปหาเสียงให้มันถูกหูเนี่ยนะ เที่ยวสาหาสแสวงหาเสียงให้มันถูกหูเนี่ยกลิ่นเนี่ยก็เหมือนกันนะมันจะต้องกลิ่นมะลิกลิ่นโน่นกลิ่นนี้มันจึงจะถูกจมูกในชะ่ไหมรสเหมือนกันนะมันจะต้องร้อนเท่านี้อุณหภูมิถ้า ม, มากตอนนี้ก็ไม่ได้ต้องเย็นแบบนี้น ะ, ะแต่งรถเนี่ยกว่าจะต้องเปรี้ยวแค่นี้ต้องเผ็ดเท่านี้จะต้องหวานแบบนี้แล้วน้ำตาลจะต้องน้ําตาลที่นั่นจะต้องโอ้โแต่งรถกว่าจะแต่งสําเร็จไงแต่งยากมากโพธภาพนี่ก็แต่งยากมัน บำรุงบำรเรตาหูจมูกเล่นกายเนี่ยก็ยังพอบำรเรได้บำรุงใจเนี่ยจะยากที่สุดนะใครบำรุงใจได้ง่ายๆบ้างเนี่ยเก่งมากเลยนะไม่ยอมง่ายๆนะบอตอนแรกมันทํำท่าจะยอมมาเออแค่นี้พอละไมเอาไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่หมนะมันไปเรื่อยเนี่ยนะมันขันห้าเลี้ยงยากจริง ข้าท่านบอกว่าใครที่บำรุงบำเรอขันห้าพวกนั้นเป็นผู้บำเรอมาลบำเรอมาลบำเรออะไรบำเรอขันธ์มาลบำเรอมัจจุมารก็คือเป็นผู้บำเรอความตายนะบำเรอตาหูจมูกลิ่นกายใจก็คือบำเรอความตายบำเรอพบใหม่นั่นแหละแต่ผู้ที่เป็นพรทารหันก็คือปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้โดยประดานทั้งปวงบทว่าอีกอย่างหนึ่งนะบทว่า นาปรังอิทัตายะความว่ารู้ชัดว่าขันทัศน์แดนต่อไปจากนี้เนี่ยนะต่อจากความเป็นอย่างนี้เนี่ยขันต่อไปที่จะมีต่อไปจากพบนี้คือจุติแล้วไม่มีปฏิสนธิอีกต่อไปไม่มีแก่เราแต่ว่าขันห้าของเราเนี่ยที่ที่พระหารยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นขันที่ท่านทำปริญญาเสร็จแล้วกาหนดรู้แล้วเนี่ยดำรงอยู่ เป็นเป็นประเภทต้นไม้ขาดรากอะ่ะต้นไม้ที่มีรากเนี่ยนะเป็นเหตุให้ว่าต้นไม้ใดมีรากก็เป็นต้นไม้ที่จะเพาะขึ้นต่อๆไปอีกแต่พระรหันเป็นบุคคลที่ไม่มีรากรากรากที่นําเกิดคืออะไรรากคือราคะรากคือโทสะรากคือโมหะพระหันเนี่ยไม่มีรากอันนี้ที่เป็นเหตุนําไปสู่พบใหม่ของเรานี่เวลาเก้าหนึ่งเก้าใช่ไหมรากอย่างลงลึกเลยใช่ไหม เก้าหนึ่งเก้ามองเห็นเนี่ยรากสามรากในฝังเน่นไปหมดเลยนะมันเพาะขึ้นได้ทุกแห่งแต่พระอรหันต์ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นผู้ที่เหมือนต้นไม้ขาดรากแล้วเอาเนี้ยนะขันไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะมันถ้าทุกขันเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะขันเหล่านั้นก็ชื่อว่ามีรากเพราะเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะที่เป็นรากคือเหตุปัจจัยเนี่ยนะ ส่วนพท่ารหัสขันเหล่านั้นไม่มีแล้วพราะถ้าขันท่ารหัสแตกทำลายไปจกไม่มีบัญญัติบัญญัติไม่ได้ปว่าเป็นสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปเป็นสัตว์ที่อยู่ในภพใดบัญญัติไม่ได้เพราะดับเจริมะกะจจิจจริมะกะจิตนี่นะคือจิตดวงสุดท้ายหรือจุติจิตของพท่ารหัสถ้าวัตถุดับอารมณ์ดับปั๊บจิตนี้ก็ไม่มีที่ที่ตั้งไม่มีที่ปฏิสนธิซูญไปเลย เสียดายไหมอะไรนาทีได้ไหมมันว่าถ้ายังชมว่าดีอยู่ก็ก็ดูแลต่อไปกขาบอกว่าสิ้นไปเหมือนกับไฟสิ้นเชื้อนะแปลว่าขีนางบุรนังนวังนาทิสัมปรวังวิรตัตจิตตาที่เราสวดในรตัตนะสูตรอะ่ะเหมือนอย่างว่าประเทศที่ที่อินเดียกับที่ศรีลังกาเนี่มันเห็นชัดนะฮะประเทศจุดน้ํามันนะ่ยนะจะมีท่อะนะมีกระถางก่อน เราใส่มาวางเทน้ํามันไปแล้วก็จุดทีนี้ถ้าจุดไปจนถึงว่าระดับหนึ่งไส้ก็หมดน้ํามันก็หมดกระถางก็แตกเนี่ยตกลงหมดเลยฉันใดก็ดีถ้าขันเหล่านี้แตกทําลายเชื้อคือตันหาเป็นต้นก็ดับไส้ที่เหลือก็แตกทําลายก็ถือว่าสิ้นแห่งกองทุกนะเส้นทุกเส้นวั ต, ตะสักทีหนึ่ง แต่พวกสายที่ยึดถือว่าขันเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยโอ้โหห่วงมากเลยนะกลัวจะไม่มีไม่มีเราใช่ไหมกลัวไม่มีเราพฉะนั้นจึงพยายามเสนอตัวไปในพบต่างๆนะแสดงตัวในพบต่างๆพระทหารท่านถือว่าการไม่สแสดงตัวในพบเป็นเป็นความสุขใช่ไหมแต่ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยการที่ไม่ได้สแสดงตัวในพบเป็นความทุกข์มากเลยนะ สรุปว่าอัญญะตะโรได้แก่พระนันทานี้เป็นผู้หนึ่งที่ได้เป็นพระมหาสาวกคือเป็นสาวกผู้หนึ่งในภายในอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสาวกผู้ใหญ่เนี่ยนะเป็นสาวกผู้ใหญ่เป็นเอตทคะด้านอินรีสังวรเนี่ยนะเป็นผู้เลิศมีบริวารเยอะนี่กลับไปดูที่พระสูตรอีกต่อไปพระสูตรในหน้า หน้า285ร้ข้อเจครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งมีวั น, นะงามยิ่งนักอย่างพระวิหารเชตาวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยืนณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพนันธะพระพาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า โอรสของพนานางทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่อันนี้อันนี้หมายถึงเทวดามาบอกกันนะเสร็จแล้วยานยานคือปั จ, จเวกขณะยานสัพพัญยุตยานของพระองค์ก็เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ก็รู้นะว่าพนันทานี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พอล่วงราตรีนั้นไปแสดงว่าบรรลุตอนกลางคืนท่านพนันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองข้าพระองค์เพื่อให้ได้นางอับซอหร้อยผู้มีเท้าดุดนกพิราบ ข้าพระองค์ขอปลดเปลื้องพระผู้มีพระภาคเจ้าจากการรับรองอันนั้นแล้บขอให้พระองค์เลิกรับได้แล้วมาไม่ต้องรับประกันไม่ต้องรับรองอีกแล้วไม่เอาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนนันทะแม้เราก็กําหนดรู้ใจของเธอด้วยใจของเราคือด้วยสัพพัญญุตญาณของเราเป็นต้นว่านันทะทําทให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม้เทวดาก็บอกเนื้อความนี้แก่เราว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญท่า น, พ, า น, นพระนันทะพระผาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอรสของพระมาตุฉาทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เทวดานี้เทวดาพวกไหนเทวดาสุดเทาวะที่เป็นพระอรหรอันตนะ์อนพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะรู้กันขนาดนี้เนี่ยนะ เพาาราะพระอรหันต์ในสุทาวาสนี่มีพระอรหันต์อยู่นะมีอยู่ทุกชั้นด้วยอวิหาตะปาสุทสาสุทธศีธาธาากานิ tha เนี่ยทั้งหชั้นมีพระอรหันต์อยู่หมดเลยเทวดาเหล่านี้มีอายุเป็นหมื่นกับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านดูก่อนนันทะเมื่อใดแลจิตของเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเมื่อนั้นเราพ้นจากการรับรองนะ ตรงรู้อยู่แล้วว่าถ้าหากว่าบรรลุแล้วก็เลิกรับรองแล้วใช่ไหมหมดเครียกว่าสุดสัญญาแล้วนะสิ้นสัญญาแล้วหมายครับว่านายประกันเนี่ยจะมีจะต้องรับประกันต่อเมื่อยังอะไรนะยังชําระหนี้ไม่เสร็จก็เลยยังต้องเป็นนายประกันนะนะตอนนี้พอชําระหนี้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องรับประกันอะไรอีกต่อไปเขาบอกว่าหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นไอ้ถือมั่นนี่ถื อ, อยังไงจับไว้แน่นเลยใช่ไหมเกาะไว้ตลอดเลย ถ, ER, ถ ER ือว <Jean> ่าอย่างไงถือมั่นเนี่ยคิดถึงวงแหวนตกลงถือว่ายังไงถือมั่นถือว่าเที่ยงถือว่าสุขถือว่างามถือว่ายั่งยืนถือว่าอัตตานี่ยแหละก็เรียกว่าถือมั่นนะนะไอ้ถือมั่นว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนอัตตาเนี่ยยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิว่าเที่ยงหนักๆเข้าบางคนเนี่ยบอกเนี่ยไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นกุศลเลยไม่เจริญเลยไม่ยึดถือนะนะ อันนั้นเข้าใจผิดนะคำว่าไม่ถือมั่นตรงนี้ไม่ยึดถือหมายคำว่าไม่ยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเที่ยงว่าสุกว่างามว่ายั่งยืนว่าเป็นอัตตาว่าเป็นของของอัตตาเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ได้สําคัญผิดแบบนั้นแต่ก็อย่างไรก็ไม่ละเลยจากการเจริญกุศลลําดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบเนื้อความนี้แล้วพระองค์ก็เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าภิกษุใดข้ามเปือกตม ได้แล้วย่ายีหนามได้แล้วพิสูจนนั้นบรรลุถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข้ามเปือกตมย่ำยีหนามสิ้นโมหะนี้ก็คือใครคือพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์ก็เลิกหวั่นไหวในโลกธรรมในอัตถกถาข้อหน้าสองอยเ้าย่อหน้าล่างว่าบทว่าอัญญาตาเทวตาได้แก่เทวดาองค์หนึ่งผู้บรรลุมรรค จึงอยู่เทวดาพรมเทวดานั้นรู้ชัดถึงอารมณ์ของพระอาเสขเพราะตนเป็นอาเสขก็คือพรมอรหันต์นั่นเองก็พระเสขทั้งหลายย่อมรู้อารมณ์ของพระอาเสขนั้นนั้นได้ส่วนปุตุชนรู้เฉพาะอารมณ์ของปุตุชนเท่านั้นหมายคําว่าจิตนี้เขาแบ่งง่านะว่าสภาวะจิตโลกโลกิยจิตปุทุชนจะไม่รู้จักโลกุตรจิตของพระอริยะ โซดาพระโสดาบันจะไม่รู้จิตของที่เป็นโลกุตระของพระสกท า, าคามีก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้คือเฉพาะจิตระดับสูงนี่จะไม่รู้แต่ว่าจิตทั่วๆไปก็รู้กั น, น, นบทว่าอภิกันตายรัติยามเมื่อราตีนั้นผ่านไปเมื่อมัชฌิมยามผ่านไปก็คือเทวดาเนี่ยทำพระเชตวันให้สว่างสวัยด้วยรัศมีเหมือนพระจันทร์และพระอาทิตย์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าว่วา ท่านพนันท่าบรลุภาอรหันแล้วก็เลยเกิดปีติโมสมมนัตเข้าไปเฝ้าพรหมเขาก็ยังดีใจนะผ้าอรหันเขาก็ดีใจนะไม่ใช่ว่าดีใจไม่เป็นกลายเป็นคนทื่อๆเฉยๆไปหมดทุกเรื่องไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ยังดีใจใช่ไหมอุทานทั้งหมดนี้เกิดจากปีติโมสมมนัตญาณสัมประยุทธ์นั่นแหละทาให้พระองค์แสดงนะไม่ใช่ว่ายิ่งปฏิบัติไปยิ่งแห้งแรงเฉาไปทุกวนันทุกวนันเซ็งเหมือนกับอะไรเดินได้สักอย่าง ไรจิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นไหมแห้งแล้งมากเลยนะเช้าลงทุกวนันทุกวันเนี่ยนะก็เลยตอนหลังก็เลยเลิกศึกษาธรรมะเลยอันนี้ชุ่มชื้นตามเดิมอย่างนี้ด้วยอันนี้พลาดนะนะบอกว่าไม่ใช่แน่อนอนน่าสนใจบทว่าอาสวะสิ้นแล้วเนี่ยนะ patience, คีนาสอาคีนาอาสวานังขยานเนี่ยอาสวะสิ้นแล้วเนี่ยอธิบายศัพท์ว่าอาสวะก่อนอาสวะซึ่งเคยกล่าวไปบ้างแล้วใน สภาสะวะสังวรสูตรนี่มาเรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะชื่อว่าอาสะวะเพราะอัฐว่าไหลไปไหลยังไงไหลไปไหนไหลไปตามอะไรก็ไหลไปตามทวารมีจักรสูบเป็นต้นนะไหลไปตามทางตานะการมาสะวะภวาสะวะนี่ลืมตาปั๊บมันก็ไหลออกนะทะลักไปเลยนะถ้ามันเป็นรูปธรรมเนี่ยนะไอถ้ามันเป็นรูปธรรมหน่อยอาสะวะที่ไหลออกมาเนี่ยสงสัยมันกองท่วมไปหมดเลยนะ ถ้าสมมติว่าอาสวะหนึ่งอาสวะเนี่ยนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งดวงเนี่ยที่เกิดหนึ่งขณะเนี่ยถ้าเท่าเม็ดทรายเนี่ยสงสัยเนี่ยลืมตาพักเดียวเนี่ยท่วมกรุงเทพหมดนะนะหูได้ยินเสียงก็ท่วมประเทศไทยหมดนะพักเดียวนี่แหละพรามันไหลไปแบบนั้นน่ยนะมันผลิตไม่มีหยุดมีหย่อนจริงๆเลยเพราะนั้นอาสวะนี้ปแปล ว, ว่าไหลไปทวาวรตาหูจมูกเล้นกายใจนะนะอาสวะนั้นถ้าว่าโดยธรรมะเนี่ย โดยสภาวะธรรมเนี่ยไหลไปจนถึงโคตรภูโคตรภูจิตเนี่ยนะโคตรภูที่มีนิพพานเป็นอารมณ์อ่ะตัวโคตรภูยังเป็นอารมณ์ของอาสวะเพราะโคตรภูจิตยังตัดอาสวะไม่ได้นะโคตรภูติดยังตัดอาสวะไม่ได้ถ้าโดยภพเนี่ยนะมันไหลไปจนถึงภวะกับภพบเนวสัญญานาสัญญายตนะยังมีวิชาสวะเลยะยังมีอาสวะเพราะฉะนั้น อาสวะนี่คุมวัตตะในภูมิสามหมดเลยถ้ายังอยู่ในดินแดนวัตตะในภูมิสามชื่อว่าเป็นแดนโคโจรแห่งอาสวะเขาเรียกว่าสาสาวะโตเนี่ยนะเพราะยังเป็นอารมณ์ของอาสวะเนี่ยนะสาสาวะโตเนี่ยสาสาวะโตก็คือเป็นที่โคโจรเป็นที่ท่องเที่ยวของกามาสวะเป็นต้นนั่นเองเพระนิพพานอธิบายว่ากระทําธรรมเหล่านี้คือ โคตรภูถึงพระวะกักกพรมหมายถึงวัตตาในภูมิสามเนี่ยนะทำคือจนถึงโคตรภูโอกาสถึงพระวะกักกพบเอาไว้ในภายในด้วยอาอักษรเนี่ยเรียกว่าเก็บไว้ในภายในะนะไม่ให้ออกไปง่ายๆหรอกอีกในหนึ่งชื่อว่าอาสวะเพราะอัิฐาว่าเหมือนน้ําหมักน้ําดองมีสุราเป็นต้นเพราะหมักไว้นานนะน้ำหมักน้ําหมักน้ําดองอาสวะนี่มันห ม, มักนานหมักนานแค่ไหนบอกเงื่อนต้นแห่งอวิชชาไม่ปรากฏเนี่ยนะ ก็ไม่รู้เกิดมาก็ไม่รู้เลยเนี่ยนะไม่ได้เกิดมาและฉลาดมากเห็นอริยสัจ ต, ตอนหลังเผลอลืมไปไม่ใช่เพรันลัทธิที่เขาบอกว่าจิตเดิมแท้เนี่ยรู้เป็นพุทธะรู้อยู่แล้วแต่ว่าถูกอุปกรณ์จอนมาทําให้ปิดบังไปไม่ใช่นะคำนั้นไม่ถูกต้องคือจริงๆเนี่ยวิบากกับจิตวิบากที่เป็นปฏิสนธิจิตของเราทั้งหลายจริงอยู่ติเหตุกาปฏิสนธิเป็นต้นถึงอย่างนั้นน่ะ อโมหะคือปัญญาตัวนั้นก็ยังไม่ได้แทงตลอดอริยสัจอะไรเพราะฉะนั้นพื้นฐานเดิมแท้ก่อนหน้านี้มาก็ไม่เคยรู้อริยสัจเนี่ย น, นะก็ถ้าไม่รู้อริยสัจย่างนี้แหละเรียกว่าอาวิชชาถึงปัญญาจะเกิดก็ไม่ยังไม่เรียกว่าเป็นความรู้ที่พอจะเป็นวิชาได้อันนั้นก็เป็นกุศลขณะที่มีกรรมสักตาให้ทานเป็นต้นเท่านั้นเองแต่ยังไม่มีปัญญาพอที่จะเห็น อริยสัจอะไรท่านก็เลยเรียกว่าอาวิชชา น, นก่อนหน้านี้มาอาวิชชาไม่ปรากฏว่าโง่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ความโง่นี่สาวได้ไหมว่าเริ่มโง่ตั้งแต่เมื่อไรเอาจริงๆเนี่ยนะทันก็มายาวมา้งเงื่อนต้นไม่ปรากฏเนี่ยนะไล่มาอย่างนี้แหละอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอาสวะเพราะถึงคือประสบสังสารทุกข์อันยืดยาว ประสบเนี่ยนะทำให้ประสบกับสังสารทุกเนี่ยนะทุกทั้งหลายหลายหลายหายอย่างไม่ใช่ทุก น, น้อยเลยเกิดจากเกิดจากอะไรเกิดจากกา ม, มาสะวะเป็นเป็นปัจจัยบ้างความทุกข์หลายอย่างเกิดจากภาวาสะวะเป็นปัจจัยความทุกข์หลายอย่างก็เกิดจากทิฏฐาสะวะทุกทุกชนิดเกิดจากอวิชชาสะวะเป็นปัจจัยเนี่ยนะอวิชชานี่แทรกไปทุกเรื่องไปหมดเลยพ้นอัดตน้นย่อมควรในกิเลสอัดหลังย่อมควรในกรรม คืออัดต้นเนี่ยนะหมายความว่าอาสวะนี้เพราะว่าไหลไปแล้วก็เหมือนของดองอันนี้เป็นชื่อของกิเลสแน่นอนส่วนทำให้ประสบสังสารทุกข์ให้ทำกรรมไปเกิดในที่ต่างๆทุกต่างๆอันนี้หมายถึงกรรมไม่ใช่แต่กรรมกิเลสไม่ใช่กรรมและกิเลสเท่านั้นที่เป็นอาสวะนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะไอ้คว่าไหลไปเนี่ยนะเหมือนน้ำหมักน้าดองอันนี้เป็นชื่อของกิเลส ประสบสังสารทุก์เป็นชื่อของกรรมไม่ใช่กรรมและกิเลสเท่านั้นนะที่เป็นอาสะวะโดยที่แท้อุบาทอุปัตถวแปลว่าอุบาทมีประการต่างๆก็เชื่อว่าอาสะวะเหมือนกันจริงอย่างนั้นกิเลสเป็นวิวาทมูลมาโดยชื่อว่าอาสะวะที่พระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนจุนธาเราหาได้แสดงธรรมเพื่อสังวรอาสะวะอันเป็นไปในปัจจุบันอย่างเดียวก็หาไม่อาสะวะในปัจจุบันนี้เป็นชื่อของอะไร สมมตินะีถ้าพระภิกสุเนี่ยดื่มสุราแล้วพระพิสุทะเลาะกันตีกันหัวรังหัวรังข้างแตกแล้วก็ขับรถไปชนคนตายเป็นต้นแล้วก็จับเข้าคุกเข้าตารางไปเนี่ยถามว่าเป็นความเสียหายเลวร้ายทั้งหมดเลยใช่ไหมถือว่าความเสียหายความเสียหายเลวร้ายทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอาสวะในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่เมาแล้วอาละวาความสร้างสร้างเรื่องราวมีปัญหาเข้าคุกเข้าตารางอะไรก็ช่างเถอะทั้งหมดนี้เรียกว่าอาสวะ คําว่าอาสวะนี่เป็นชื่อของวิวาทมูลการทะเละาะเบาะแวงสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็เรียกว่าเป็นอาสวะอย่างพระองค์บัญญัติพระวินัยเพื่อกําจัดอาสวะในปัจจุบันกําจัดความเสื่อมเสียกําจัดเรื่องเรื่องราวที่เลวร้ายชั่วร้ายที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อไปว่า กรรมในภูมิสามและอกุศลธรรมทั้งหมดก็ชื่อว่าอาสวะคือศัพท์ว่าอาสวะในพระไตรปิฎกมีหลายในพันไปเห็นอาสวะในพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าจะแปลว่ากิเลสได้เสมอไปเนี่ยนะอันนี้ตรงนี้เราเรียนคําว่าอาสวะเฉยๆก่อนนะอาสวะนี่บางทีก็เป็นชื่อของกรรมที่เป็นไปในภูมิสามและอกุศลธรรมทั้งหมดชื่อว่าอาสวะเช่นความเกิดเป็นเทวดา การเกิดเป็นคนทันผู้เที่ยวไปในอากาศหือเวหานี่นะพึงมีแกเราด้วยอาสะวะใดเราพึงถึงคือเกิดความเกิดเป็นยักษ์หรือเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอาสะวะใดอาสะวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเรากาจัดได้เสียแล้วทำให้ปราศจากเครื่องผูกพันอันนี้เป็นชื่อของอะไรอาสะวะที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นคนทันเกิดเป็นยักษ์เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะ อาสะวะทั้งหมดนั้นพระองค์กำจัดแล้วอันนี้เป็นชื่อของกรรมพระองค์ทำสิ่งเหล่านั้นให้ปราศจากเครื่องผูกพันคืออกุศลพระพุทธเจ้าคือผู้ที่กำจัดกรรมและกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงคถานี้พระองค์ตรัสกับโทนตพราห ม, โามในใน์โทนตพราม์ใครนะโทนตพราม์โทนตพราหม์คนที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเรียกว่ก า, าโทนตพราหม <c> ์ <oughs> ก็อุปธวะมีประการต่างๆมีการเบียดเบียนผู้อื่นความเดือดร้อนการฆ่าการจองจําและอบายทุกข์เหล่านี้ชื่อว่าอาสวะอันนี้เช่นในพระวินัยปิฎกที่บอกว่าพระองค์นี้บัญญัติพระวินัยเพื่อปิดกั้นอาสวะในปัจจุบันเพื่อกําจัดอาสวะในสำปรายับพบอาสวะในปัจจุบันก็คืออะไรการเบียดเบียนความเดือดร้อนการฆ่าการจองจําการเข้าคุกเข้าตารางการเขียนการตีทะเลาะเบาแวงเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เรียกว่าอาสวะปัจจุบัน อาสวะต่อไปในชาติหน้าคือถูกหมกไว้ในนรกอาสวะแปลว่าหมกก็ได้ใช่ไหมนั้นถ้าถ้าทำช่วแล้วหมกอยู่ที่ไหนหมกที่อบายทุคติวินิบาศนรกแล้วก็เป็นปลามหมกจนได้อาสวะหมักดองใก็กลยเป็นปลามหมักปลามหมักเรียกอะไรปลาช่อาสวะนี่จะเรียกว่าอาสวะนะเขาแบ่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้อาสวะสองคืออาสวะตามพระวินัยปิฎก อาสวะในปัจจุบันอาสวะในสัมปรายพบเรื่องเสียหายในปัจจุบันและอบายต่อไปอาสวะแบ่งเป็นสามก็ได้ตามสลายตนะสูตรว่าอวุโสอาสวะสามคือการมาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะมันอาสวะสามเล่านี้ก็อีกหลายสูตรนะนะส่วนหนึ่งก็จะแสดงอาสวะสามอภิธรรมเนี่ยนะเรียกอาสวะสี่อภิธรรมนี่อาสวะมีสี่ใช่ไหมคือเพิ่มอะไร เพิ่มทิฐิสวะเข้ามาในนิเพธิปะนิเพธิกะปริยยสูตรนะในนิเพธิกะปริยยสูตรก็แสดงอาสวะหเช่นอาสวะที่หนึ่งหนึ่งอาสวะที่หนึ่งนำไปสู่นรกอาสวะที่2องนำไปสู่เดรฉานอาสวะที่สมนำไปสู่เปรตอาสวะที่สี่นำไปเกิดเป็นมนุษย์อาสวะที่ห้านำไปเกิดเป็น เท ว, วดาพานันอาสะวะหก็คือกรรมที่ไปให้ไปที่5้แห่งนี่แหละเขาเรียกว่าเหตุแห่งคติ5เรียกว่าอาสะวะเหมือนกันในฉักกะนิบาตอังคุตรนิกายแล้วแบ่งเป็นหมวด6 6ก็คือดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอาสะวะที่จะพึงละด้วยสังวรก็มีอยู่นะอาสะวะละด้วยการสังวรสภาสะวะสังวรสูตรมีอะไรบ้างอาสะวะละได้ด้วยการสังวรก็คืออินทรียสังวร อ, อาสะวะที่ละได้ด้วยอะไรนะ ด้วยการพิจารณาที่เรียกว่าส่องเสพ น, นะนะอสวรรค์ิละได้ด้วยการเว้นรอบอาสะวรรค์ิละได้ด้วยการอดทนอาสะวรริละได้ด้วยการบันเทาและอาสะวรรค์ิละได้ด้วยการเจริญหเลยใช่ไหมและถ้าเพิ่มอาสะวรรค์ิละได้ด้วยการเห็นนะอสวรรค์ิละได้ด้วยการเห็นอันนี้ที่ในสัพพาสวรสังวรสูตรใช่ไหมสัพพาสวรสังวรสูตรก็บวกทัศนาทัศนประหาตประธรรมก็คืออาสวรรค์ิละได้ด้วยการ เห็นเห็นอะไรเห็นอริยสัจละสกายติฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตปา마าสเนี่ยนะแล้วก็บวกเป็นอาสวะเจ็ดที่นี้สูตรนี้ที่บอกว่าอาสวะสิ้นแล้วที่พระนันทะเนี่ยอาสวะสิ้นแล้วคือกามาสวะภาวาสวะทิฐาสวะและอวิชชาสวะของพระนันทะสิ้นแล้วนั้นพระองค์ตรัสความต่างแห่งเอ่อความต่างอาสวะ พร้อมด้วยกิจว่าอาสวัคยะว่าความสิ้นไปแตกไปทําลายไปแห่งอาสวะใดหมายว่าความสิ้นอาสวะนะอาสวะไม่มีเหลืออาสวะทั้งสี่ดับหมดเลยแตกทําลายหมดเลยเนี่ยเรียกว่าอาสวัคไขอาสวัคยะเนี่ยสิ้นอาสวะโบราณนี่เขาเวลาทําบุญเนี่ยเขานิยมตั้งความปรารถนานะอาสวัคยาวหังนิพานังโหตุเนี่ยนะขอบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยจงเป็นไปเพื่อความ สิ้นอาสวะแล้วก็บรรลุนิพพานอปจโยโหตุจงเป็นไปเพื่อพระนิพพานนี่นะตรัสความไม่เกิดขึ้นแห่งอาสวะต่อไปเรียกว่าอาสวะอาสวะเลิกเกิดคําแรกเนี่ยบอกว่าอาสวะจบอาสวะสิ้นต่อไปอาสวะไม่เกิดเช่นคําว่าพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะแก่ผู้รู้ผู้เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะสําหรับผู้ไม่รู้ผู้ไม่เห็นเอา แล้วความสิ้นอาสวะเนี่ยมีได้เพราะรู้เห็นอะไร <ansch> ans เห็นอะไรรู้เห็นอะไรจึงสิ้นอาสวะโอยนี่วันเสาร์นะทวนไม่กี่เสาลืมหมเลยรู้เห็นอโยนิโสกับอยโยนิโสสภาสวะสังวรสูส น, นั่นแหละรู้เห็นโยนิโสอโยนิโสจึงสิ้นอาสวะหรือบางแห่งก็บอกรู้เห็นความเกิดและความดับจึงสิ้นอาสวะเนี่ยนะสิ้นอะรู้เห็นความเกิดอะไรความเกิดแห่งขันห้าด้วยอาการ 25เห็นความดับแห่งฐันห้าด้วยอาการ25เป็นต้นนี่แหละอาสวะจึงสิ้นไปบางแห่งอาสวะขยะนี่หมายถึงมักคจิตก็มีเช่นคำว่าปฐมยานปฐมยานคืออนัญญา อ, อนัญญาตัญญสามีตินีย่อมเกิดขึ้นในเพราะโสดาปฏิมักอันเป็นเครื่องทากิเลส ท, ทั้งหลายให้สิ้นไปแก่พระเสขผู้ยังต้องศึกษาอยู่ปฏิบัติตามทางตรงคือมัค8นี่นะปัญญาที่รู้ทั่วถึง ย่อมเกิดขึ้นในลำดับแต่ปฐมมรรคกติกาอย่างนี้ว่าถ้าโสดาปฏิมร์มีชื่ออะไรนะอนาญยาอนาญยะตัญยศามีตินีโสดาปฏิผลจนถึงอรหัตตมรรคชื่อว่าอัญยินรียอรหัตตผลชื่อว่าอัญญาตาวินซีสรุปว่าปฐมฉมะปฐ ม, มยานคือโสดาปฏิมร์เกิดก่อน โสดาปฏิผลจึงเกิดตามเนี่ยอธิบายเท่านี้แหละบางทีคำว่าอาสวะคยะหมายถึงผลจิตเช่นความเป็นส ม, มณะมีเพราะความสิ้นอาสวะทำไมเขาจึงเรียกว่าเป็นส ม, มณะเพราะสิ้นอาสวะอันนี้หมายถึงว่าผู้มีผลจิตผู้มีผลจิตหรือผู้ที่เกิดสามัญญผลโสดาปฏิผลเป็นต้นจึงเรียกว่าเป็นส ม, มณะเพราะผู้ที่กาจัดอาสวะได้แล้วเช่นพระโสดาบันกาจัดอะไร กามาสเออเข้าไปทิฏฐะสวะพระอนาคามีกาจัดกามาสวะพระอรหันต์กจัดภวาสวะและอวิชชาสวะได้แล้วเขาจึงเรียกว่าพระสมณะสมณะคือผู้กาจัดอาสวะได้แล้วหรือผู้สิ้นอาสวะบางแห่งคำว่าอาสวะเป็นชื่อของพระนิพพานพระนิพพานเรียกว่าอาสวะเช่นอาสวะย่อมเจริญแก่ผู้ตามเห็นโทษผู้อื่น ผู้สําคัญในการเพ่งโทษเป็นนิจบุคคลนั้นชื่อว่าไกลจากธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะทำเป็นที่สิ้นอาสวะชื่อเป็นชื่อของนิพพานใครที่รู้ความเลวของคนอื่นมากที่สุดคนนั้นห่างนิพพานที่สุดแปลง่ายๆนะใครโอ้คนนั้นโอ้ยแยกความเลวคนอื่นนะั้นนั่งเล่าความเลวคนอื่นได้เป็นวันๆเลยนะทุกคนมีความเลวได้หมดแต่ใครที่รู้เชี่ยวชาญขนาดนี้นะคนนั้นไกลนิพพานที่สุด น่าจะดีใช่ไหมเอ๊ะถ้าเรารู้ความเลวคนอื่นมากมน่าจะดีน่าจะใกล้บรรลุนิพพานจะได้จะได้เบื่อหน่ายในวัดต่าสักทีหนึ่งไม่ลอคิดดูนะสมมติถ้าเรานั่งไปเล่าแต่ความเลวของคนอื่นได้ทุกวันทุกเรื่องทุกเวลาพูดถึงใครก็มีความเลวในใจหมดและใครเลวกว่ากันอ่านะก็เราเนี่ยเลวที่สุดใช่ไหมเรารู้ความเลวของคนอื่นหมดนะเพราคนอื่นเขาเลวสิบอย่างนะ สมมติเขาสิบคนเนี่ยเรารู้ความเร็วคนละคนละคนครบสิบคนเนี่ยเรารู้ความเร็วคนอื่นสิบคนเนี่ยนะเรานี่เร็ว10บอย่างคนอื่นเขาเร็วเร็วคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างนะแต่ของเราเนี่ยรู้ทั้งรู้ทั้ง10วิธีเราว่าเร็วกับเขาสิบเท่าเร็วกับพวกนั้นสิเท่าอย่างนี้เพราะนั้นการรู้ความเรวของผู้อื่นเท่าไหร่ไกลนิพานเท่านั้นเพราะะฉการที่เรารู้ความเร็วของผู้อื่นเท่าไหร่ไกลนิพานเท่านั้นอันนี้ไม่ดีใช่ไหม สมัยพุทธกาพระพิสุบางรูปนี่เป็นอย่างนั้นเลยนะตามดูแต่ความเรวคนอื่นรู้หมดอใครไปทําผิดที่ไหนเรื่องอะไรเมื่ อ, อไรอย่างไรเขาจะแก้ตัวขอโทษขอพยยังไงก็ไม่ก็ ก, ก, ก็ไม่สนใจจําได้แต่ความผิดจําได้แต่ความเร็วเก็บข้อมูลสถิติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ตกไม่หล่นบางทีเขาไม่ถามเล่าซะยาอเฟื่อยเลยเนะี่ยประกาศว่าห่างนิพพานเท่านั้นเลยเขามีความเร็วบ้างกรชังนเขาเถอะนี่ไง เราไม่ต้องไปเสวยผลแห่งกรรมแทนเข้าอะไรหรอกนี่ยนะนะต่อไปว่าในที่นี้ที่ที่ที่นี้คือที่ไหนในที่นี้คือในนันทสูตรที่บอกว่าพระพนันทเนี่ยอาสวะสิ้นแล้วเนี่ยตรัสถึงความสิ้นแห่งอาสวะโดยส่วนเดียวคือความไม่เกิดขึ้นแห่งอาสวะหรือมรรคจิตของพระนันทะนั่นแหละเรียกว่าอาสวัคยะเพราะ อ, อริยมรรคอรหัตมรรคเกิดขึ้นแก่พระ นันทะแล้วอนาสวังคือละอาสวะโดยประการทั้งปวงด้วยปฏิปัสสัตธิสัมโพชงปฏิปัสสัททิสมโพชงโพชงมีเจ็ดใช่ไหมเขามีแต่ปัสสัตธิใช่ไหมปัสสัตทิสัมโพชงปฏิปัสสัททิมีไหมในโพชงเ็ อ่าโพชงมิเจ็นั่นหนึ่งโพชังโกสติสังคาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปีติปัสสัตถิโพชังคาจตถาปเรสมาธุเปกาโพชังคาสัตเตเตสัพพทสินาเนี่ยนะหมายว่าโพชง์ขาแรกคือสติสามโพชงสองธรรมาวิจยะสามโพชงสามวิริยะสามโพชงสี่ปีติสามโพชงห้าปัสสัททิสมโพชงหกสมาธิสามโพชงเจ็ อุเบกขาสามโพชองและตรงนี้ทําไมเป็นปฏิปสัสสติเกิดอะไรขึ้นอีกเป็นชื่อของอริยผลอนาสวะตัวนี้อนาสวะสิ้นอนาสวะหมายถึงอารหัตตผลเนี่ยนะปฏิปสัสสติอะไรนะเขามีเขามีคําชื่ออะไรชื่ออะไรนะเดี๋ยวสมุดเฉทะสมุดเฉทาวิมุตใช่ไหมปฏิปสัสสติวิมุติอันนี้ปฏิปสัสสติพัน ตรัสรู้โดยสงบประงับแล้วคือตรัสรู้ด้วยอรยะผลนั่นเองหมายความว่าบรรลุแล้วอ่ะนะเจโตวิมุติเป็นชื่อของสมาธิในอรหัตผลปัญญาวิมุติคือปัญญาในอรหัตผลเอามัคข้อที่หนึ่งองมัคข้อที่หนึ่งกับข้อที่8องค์มัคข้อที่หนึ่งเรียกว่าปัญญาวิมุติองค์มัคที่8เรียกว่าเจโตวิมุตในขณะไหนในขณะอรหัตตผ ล, ลจิตคําทั้งสองมีอัดแสดงสภาวะสมถาวิปัสนาเนี่ยเป็นของ เนื่องกันเป็นคู่แม้ในขณะมรรคจิตก็เป็นคู่กันผลลจิตก็ยังคู่กันเพราะฉะนั้นสมถาวิปัสสนาทิ้งกันได้หรือไม่ได้นั่นนะยานังได้แก่ที่บอกว่าพระองค์ก็เมื่อกี้เนี่ยคำรายงานของเทวดานะพระองค์รู้แล้เออเทวดามาบอกใช่ไหมเทวดาคือใครเทวดาที่เป็นพระอรหันต์มาบอกและพระสัพพัญยุตยานก็เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกัน นนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคำหนึ่งอวชณะนะอวชณนะคือคำหนึ่งพิจารณาเห็นว่าเป็นอย่างนั้นหรือหนอสัพพัญยุตยานก็เกิดขึ้นว่านันทะเนี่ยทำให้แจ้งพระอรหันต์แล้วจริงอยู่พระนันทะถูกภิกษุผู้สหายเยอะหยันเช่นนั้นก็เกิดความสังเวชสลดใจมากเลยว่าข้อที่เราบวชในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้ได้กระทําพระาศาสดาให้เป็นผู้รับประกันเพื่อให้ได้นางอับซอน จัดว่าเรานี่ทํากรรมหนักมากโอ้โหไม่น่าเลยนะเราทํางนี้ได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ก็เลยเข้าไปตั้งหีริโอตาปะโอ้ยละอายมากเลยนะอายใครอายตัวเองมากโอตาปะกลัวพระพุทธเจ้ามากก็เลยเพียรพยายามจนบรรลุเป็นพระอรหันต์คิดว่าฉะไหนหนอเราเพึงให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพ้นจากการรับรองนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกรงเกรงใจจริงๆเลยจะให้พระองค์มานั่งรับรองเราเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะฮีริโอตาปะนี้แหละทำให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหรันต์ เพราะฉะนั้นบอกว่าปฏิสวาเรียกว่าพ้นแล้วจากการรับประกันเนี่ยนะคือพ้นจากการรับรองว่าเรานี่แหละจะเป็นผู้รับรองเธอเพื่อให้เป็นเพื่ออะไรนะเพื่อให้ได้นางอับซรลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พระนันทะว่าเพราะเหตุที่เรารู้ข้อนี้ว่าเธอยินดีพระอรหันตผลทั้งเทวดาก็บอกเราฉะนั้นเราจึงไม่ถูกท่านให้พ้นจากการรับรองในบัดนี้เพราะท่านพ้นแล้วด้วยการบรรลุเป็นพระอรหันนั่นเอง อรหัตผลนั่นแหละเป็นตัวใช้นี่แลใช่ไหมเป็นตัวว่าไม่ต้องรับรองแล้วบทว่ามุตโตคือผู้พ้นแล้วเนี่ยนะมุตโตพ้นแล้วพ้นอะไรในการใดจิตของพนันทะพ้นจากอาสวะทั้ง4ในการนั้นคือในลำดับนั้นเราก็พ้นการรับรองพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องรับรองแล้วด้วยอนุภาพของอริยมรรคเนี่ยนะ ฝ่ายท่านพรนันทาในเวลาเจริญวิปัสสนานั่นเองเกิดอุตสาหะขึ้นว่าเราจักข่มการไม่สังบนอินซีที่เราอาศัยถึงประการอันแปลกนี้เท่านั้นด้วยดีคือจริงๆเนี่ยนะที่ท่านมานั่งนึกถึงนางอับสอนึกแล้วนึกอีกนึกแล้วนึกอีกอ่ะเกิดจากอะไรก็เกิดจากการไม่สํารวมอินซีถือในนิมิตและอนุพยัญชนะเนี่ยนะถือรายละเอียดมากว่า ดูสินางเป็นห่วงเรามากตาละห้อยเลยผ้าเปียกน้ําตาไหลนั่นแหละเห็นไหมก็เลยคิดถึงแต่ตรงนั้นก็เลยคิดถึงอะนะคิดอยู่นั่นแหละพราะนั้นน่ะเกิดเพราะไม่สํารวมอินทรีย์แท้ๆเนี่ยนะก็แทนที่จะคิดเลยดูนี่น้ําตาในที่เสียใจเพราะเรื่องแบบนี้เป็นต้นมากกว่าน้ําทะเลแล้วแทนที่จะนึกอย่างเงี้ไหมใช่ไหมดูสิเขาคิดถึงเราอย่างเงี้ยเขว่าไปเรื่อยนั่นแหละแต่ก็บวชอยู่ได้ทั้งหลายเดือนเนี่ยก็เก่งมากเลยนะ แต่ของเราขนาดนั้นไม่รู้อยู่ได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบทีนี้ท่านก็เลยเถึงการข่มข่มะนะไม่ไม่ให้อากุศลมันเกิดตามทวารต่างๆฮิริและโอตปะท่านมีกําลังมากจริงๆเนี่ยท่านมีฮิริโอตปะที่มีกําลังมากเลยนะคนที่ไม่มีฮิริโอตปะที่แรงขนาดนี้จริงๆอินทรีย์สังวรไม่ได้ ท่านนี้ได้ปฏิปทาอย่างอุกฤษในอินทรีสังวรเพราะทําบุญญาธิการไว้ในเรื่องนี้ถือทาบุญตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นผู้เลิศในเรื่องอินทรีสังวรทำไมพระนันทะต้องอินทรีสังวรมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษเพราะพระนันทะ น, นี่ราคะจริตชนิดแรงกล้ากิเลสของท่านมีกำลังมากนะแล้วก็ท่านเป็นคนรูปงามด้วยแล้วก็มีกาลังมากด้วย หลายๆเรื่องเนี่ยก็ใจของท่านชุ่มไปด้วยอกุศลตลอดแต่ชุ่มด้วยราคาเมื่อกิเลสมีกําลังมากขนาดนี้จึงต้องมีฮิริโอตปะที่แรงมากๆเลยความที่ท่านมีฮิริโอตปะเนี่ยนะและก็สติสัมปชัญญะของท่านเยี่ยมสติคืออะไรนะระ ล, ลึกไปในคําสอนสติปะฐานนี่แม่นยําสัมปชัญญะสี่ปตาเนี่ยแม่นยํามากเพราะฉะนั้นถ้าท่านพระนัทนทะจะตรวจดูที่ตะวันออกซ้ายหมายาว่าถ้าท่านจะดูที่ตะวันออกนะท่านประมวลจิตทั้งหมด มาดูทิศตะวันออกด้วยคิดว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราเหลียวดูทิศตะวันออกอภิชาโทมนัตอากุศลธรรมที่ลามกไม่พึงติดตามเราเงื่อนไขของการดูทุกรูปต้องไม่มีโลภะต้องไม่มีโทสะและต้องไม่เป็นอากุศลจะต้องเป็นกุศลอย่างเดียวจะต้องดูในสิ่งที่ดูแล้วเป็นกุศลอย่างเดียวเท่านั้นและอากุศลต้องไม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยนะคือเงื่อนไขที่ท่านตั้งไว้ใน ทุกอารมณ์ที่ท่านเห็นทุกทิศนะตรงนี้ยกมาตัวอย่างว่าทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศข้างบนทิศข้างล่างทิศเฉียงไซ้ประมวลจิตด้วยจิตทั้งหมดเนี่ยนะตั้งไว้เลยว่าอกุศลต้องไม่เกิดอภิชาโทมานต้องไม่เกิดอกุศลต้องไม่เกิดเนี่ยนะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะอย่างแม่นยําในทุกอารมณ์เลยนะ พระษาสดาก็เลยสถาปนาแต่งตั้งพระนันทะไว้ในเอตัทัคคาว่าดูก่อรพิสูธทั้งหลายบรรดาภิกสูสาวกของเราผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนันท h เป็นเลิศเป็นยอดของผู้ที่มีอินทรีย์สังวรถ้าไม่อินทรีย์สังวรนี่ก็ไม่ได้เอตมัตถังวิทิตวาพระองค์ทราบเนื้อความนะพระพุทธเจ้าสรุปเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาว่าคือพระองค์ทราบความที่พระนันทะ a ทำอาสวะทั้งปวงให้สิ้นแล้ว ถึงความเป็นผู้คงที่ในโลกธรรมทั้งแปดตาที่โนคงที่เนี่ยนะคงที่ในโลกธรรมทั้งหมดในสุขทุกขนินทาสันเสริญลาบเสือเส่อมลาบยศเสื่อมยศเป็นต้นบทว่ายะสะตินโนกามปังโกความว่าเปือกตมคือทิฏฐิทั้งหมดอันพระอริยบุคคลใดข้ามแล้วด้วยสะพานคือเรียมะข้ามเปือกตมเนี่ยต้องข้ามด้วยสะพานนะถ้าไม่มีสะพานก็เปื้อนเปื้อนหมดใช่ไหมดังนั้นที่จะข้ามได้ก็ข้ามด้วยสะพานคือ อริยมรรคหรือเปลือกตม Palm, คือสังสารวัตเนี่ยนะขันธ์าตุอรย تنا เนี่ยที่จะข้ามขันธ์าตุอริย تنا ได้เนี่ยอันพระอริยบุคคลข้ามด้วยการถึงฝั่งคือนิพพานข้ามกิเลสด้วยอริยมรรคข้ามสังสารวัตด้วยนิพพา น, นนะวิธีข้ามนะสองอย่างนะทวนอีกครั้งหนึ่งเอาใหม่ข้ามข้ามกิเลสเช่นมิจฉาทิฐิด้วยอริยมรรคข้ามสังสารวัตรด้วยนิพพา น, นนะ ธรรมะที่ข้ามนะอริยมัติเป็นสะพานเป็นเครื่องมือที่ทำให้ข้ามได้พระนิพานเป็นที่ที่ที่ข้ามเสร็จแล้วมัทิตโตกามะกันดโกความว่ากิเลสทั้งหมดคื อ, อกิเลสทั้งหมดคือว่าน้ำคือกามทั้งหมดอันได้นามว่ากามะกันดกะน้ำเนี่ยนะน้ำก็คือของบันทิมของบันแทงนะเพราะเสียดแทงเหล่าสัตว์พระอริยบุคคลใด ย่ํายีคือหักเสียแล้วทําลายอย่างสิ้นเชิงด้วยท่อนไม้คืออรหัตตมักขย่างใครเคยทําลายงาดหนามบ้างนะเห็นต้นไม้มีหนามใช่ก็เอาไม้มาเลาตะตัดตีสนุกสนุกไปนะข อ, ของลุงเรื่องนี้เคยแน่เชื่อ น, นีคนเมืองไม่ไม่แน่ใจนะแต่คนชนบทเนี่ยทำแน่นอนเวลาไปท้องทุ่งท้องนาเห็นต้นไม้มีหนามก็ไม้ก็บองอันนึงก็หวดเข้าไปเอาสักหนามเฮี้ยนหมดเลยจึงจึงจะมีความสุขอนะ ถ้ายังเห็นน้ําอยู่ทําใจไม่ได้ต้องซัดกันไว้ข้างนึงอ่ะมันมันอริยบุคคลก็ลักษณะนั้นนะเห็นน้ําคือกิเลสเนี่ยใช้ถอนไม้คืออริยอริยอรหัตตมรรคนี่หดเข้าไปโมหคยะอนุ ป, ปัตโตโมหคยะนี่แปลว่าอะไรทำเป็นที่สิ้นโมหะเนี่ยนะถึงแล้วซึ่งทําเป็นที่สิ้นโมหะอันนี้เป็นชื่อของโมหะเนี่ยถ้าสิ้นไปจริงๆอ่ะสิ้นเพราะอะไร สิ้นโมหะโดยธรรมะสัมโมหะทั้งหมดมีทุกข์เป็นต้นเป็นอารมณ์โดยสิ้นเชิงด้วยบรรลุอรหัตตผลและพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยนะที่เป็นอารมณ์ของอรหัตตะพทั้งนิพพานและอรหัตตะพลและเรียกว่าเป็นที่สิ้นโมหะทีนี้ก็มงคลข้อสุดท้ายอะไรนะพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยสานกรรมปฏิอโศกังวีรชังเขมังนะนะบทว่าสุขะทุกเข สุนะเวทติตสภิขุตรงนี้ก็คือมองคลท้ายๆนั่นแหละว่าพิสูผู้ทำลายกิเลสเหล่านั้นย่อมไม่วันไหวในสุขที่เกิดเพราะประจวบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่ไม่เดไม่วันไหวในทุก์ที่เกิดขึ้นเพราะประจวบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่ถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งจิตเมื่อรับสุขและทุกหมายคําว่าถ้ารับสุขก็ไม่เกิดโลภะถ้ารับทุกก็ไม่เกิด โทสะปราศจากราคะโทสะเพราะนั้นรับสุขก็ดำรงด้วยสติสัมปชัญญะรับทุกก็ดำรงอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นพระพระนันทะ น, นี้มั่นคงในโลกธรรมทั้ง8ดยกตัวอย่างสุขทุกข์เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นท่านก็มั่นคงในโลกธรรมทั้งหมดเลยนะเลิกคิดถึงนางฟ้าเลยกันนี้อันนี้ก็จบสูตรเนี่ยนะพักสักครู่ฉันพัน